เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุทกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญ มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตอนต่อไปการมาวัดก็จะได้ทำกิจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์หลายส่วนด้วยกันเช่นได้มาบูชา พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งและได้มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลฝังเทศฝังธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความมงคลที่สูงสุด ของชีวิตังา น, นการมาวัดจึงเป็นการมาเสริมสิริมบ่คลที่ถูกต้องที่สุดด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำา h อนของพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรก็ต้องมนศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอย่างในขณะนี้ ก็ถือว่าเป็นการศึกษาเริ่มเรียนความคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำให้เราเกิด ความสุขเกิดความเจริญ อ, อย่างวันนี้ <c oughs> ก็ญาติโยมคงเห็นว่ามีผู้ที่เข้ามาเตรียมตัว <c oughs> เพื่อที่จะบวชในช่วงเข้าพรรษา <c oughs> เพราะอีกประมาณสิบวันหรือไม่ถึงดี8วัน9วันก็จะ เป็นวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษานี้เป็นธรรมเนียมที่ได้มีการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงบัญญัติให้พระภิกษุ อยู่จำพรรษาหมายความว่าให้อยู่กับที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาสามเดือนในช่วงฤดูฝน<ม>เหตุที่ทรงบัญญัติเพราะมีชาวบ้านชาวนาชาวไร่ได้มากราบทูลขอพระเมตตาเนื่องจากพระภิกษุนั้น นักจัดจาริกไปตามสถานที่ต่างๆห า, หาที่บำเพ็ญหาที่ปฏิบัติหาครูบาอาจารย์และบางรูปท่านก็จะเดินรัดทุ่งนารัดท้องรัดทุ่งไร่ที่ญาติโยนชาวบ้านชาวนาชาวไร่ได้เพราะปลูก พืชต่างๆเวลาเดินผ่านไร่ผ่านนาก็จะไปเหยียบให้พืชไร่ที่ชาวนาชาวไร่เพิ่งปลูกนั้นเกิดความเสียหายดังนั้นชาวบ้านจึงได้มาขอพระเมตตาจากพระพุทธเจ้าพระองค์หลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแล้วก็เลยมี พระพุทธบัญญัติออกมาห้ามไม่ให้พระภิกษุเดินทางไปไหนมาไหนตลอดระยะเวลาสมเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8จนถึงวันขึ้นถึงวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11เป็นระยะเวลาสาเดือนให้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง เมื่อถึงวันนั้นแล้วตั้งแต่วันแรงหนึ่งค่ำเดือน8พระภิกษุจะไปอยู่ค้างที่อื่นไม่ได้จะต้องค้างอยู่ในที่ที่ตนเองได้ตั้งจิตอธิษฐานอยู่จำพรรษาถ้าอยู่วัดก็ต้องอยู่วัดตลอดสามเดือนถ้าอยู่ถ้ำหรืออยู่ป่าที่ไหนที่ใดที่หนึ่ง ก็ต้องอยู่ที่นั่นตลอดสามเดือนไม่ให้ไปข้างแรงที่อื่นยกเว้นกรณีที่จำเป็นเช่นบิดามานดาเจ็บไข้ได้ป่วยครูบาอาจารย์อุปชาไม่สบายหรือกุติวิหารเกิดความชำรุดต้องไปหาวัสดุเพื่อมาซ่อมรักษา ก็ทรงอนิญาตให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าไปเกินเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ถือว่าขาดภรรษาจะถูกปรับอาบัติอาบัติคือถูกปรับโทษนี่คือความเป็นมาของการจำพางษาเทนิยตยมก็เลย ใช้การจําพรรษาของพระนี้เป็นช่วงเวลาที่จะบวชถ้ามีลูกชายตั้งแต่อายุ20สปีขึ้นไปก็จะให้บวชเรียนหนึ่งพรรษาเพื่อจะได้มีวิชาความรู้ที่ดีที่จะสามารถนำเอาไปใช้ปฏิบัติต่อชีวิต ทำให้ชีวิตนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความเสื่อมเสียต่างๆตามมาและชาวไทยชาวพุทธเราจึงถือเป็นธรรมเนียมที่จะบวชให้บิดามารดาเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณเพราะ ถือว่าเวลาได้บวชแล้วบิดามารดาจะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์คาว่าเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์นี้ก็หมายความว่าเวลาที่ลูกชายมาบวชอยู่จาพรรษาอยู่ในวัดก็เป็นปกติของพ่อแม่ที่มีความห่วงใย ลูกที่จะต้องมาวัดมาดูแลลูกที่บวชต้องมาทำบุญตักบากถวายอาหารขาวหวานก็เลยได้มีโอกาสได้ทำบุญซึ่งยามปกติอาจจะไม่ได้มาวัดเนื่องจากมีภารกิจการงานต่างๆ ทำให้ไม่สามารถที่จะเปลีกตัวมาได้แต่พอลูกมาบวชแล้วก็เลยมีเหตุที่จะทำให้ต้องเปลีกตัวมาก็เลยยอมที่จะหยุดงานหนึ่งวันหรือครึ่งวันเพื่อที่จะได้มาวัดมาทำบุญมาถามไถ่สารทุกข์สุดิด็ ของพระลูกชายที่บวชอยู่ในวัดนี่นี่คือการได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์เพราะการจะไปสวรรค์ได้ น, นั้นอยู่ที่การกระทําคือการทําบุญการรักษาศีลถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีลถึงแม้ลูกชายจะได้บวชก็ตามก็จะไม่ได้ไปสวรรค์อยู่ดีเพราะ การไปสวรรค์นี้ของแต่ละบุคคลอยู่ที่การกระทาของตนเองไม่ได้อยู่ที่การกระทาของผู้อื่นเพียงแต่ว่าการกระทาของผู้อื่นนี้สามารถเป็นเหตุทำให้เราได้มีการกระทาเหตุที่ดีที่จะพาให้ไปสู่สวรรค์ได้ต่อไปอย่างที่ ปิดามานดามาวัดเพื่อที่จะมาดูแลพระลูกชายนั้นเองพอได้มาวัดก็จะได้มาบูชาพระรัตนตรัยได้มาทำบุญตักบาถวายทานและยังได้ฟังเทศน์ฟังธรรมพอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเกิดความเข้าอกเข้าใจ ในการปฏิบัติธรรมในการรักษาศีลแล้วนำไปปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไปไการรักษาศีลนี้ก็จะทำให้ปิดกัน้นการที่จะต้องไปเกิดในอบายได้การปฏิบัติธรรมก็จะสามารถทำให้ระยะให้ทำให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไไทำให้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการบวชของลูกชายที่จะมีต่อพ่อแม่ถ้าลูกชายไม่ได้บวชพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้เข้าวัดเข้าวาเลยเพราะมัวแต่ยุ่งกับการทำมาหากินหาเงินหาทองหาความสุขทางโลก แต่พอลูกบวชลูกมาอยู่วัดก็เลยต้องมาวัดพอมาวัดก็ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดหูตาสว่างทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อในบาปในบุญในนรกในสวรรค์ในเรื่องของกรรมในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ในเรื่องของมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นที่สิ้นสุดแห่งการวเวียนไหวตายเกิดความรู้เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามคำสอนของพพระพุทธเจ้าถึงแม่ลูกชายจะลาสิกขาไปแล้วแต่ถ้ามีศรัทธามีความเชื่อและมีปัญญา คือเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็จะบำเพ็ญต่อไปจะปฏิบัติต่อไปจะทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมต่อไปเพราะได้เห็นคุณค่าของการปฏิบัติแล้วนั่นเองนี่คืออนิสง์ของ การที่บวชเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาหรือถ้าบวชแล้วเกิดมีดวงตาเห็นธรรมก็จะสามารถสอนบิดามารดาให้มีดวงตาเห็นธรรมตามได้อย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัสรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงสอนพระพุทธมารดา และพระพุทธบิดาให้ได้มรรคให้ได้บรรลุมรรคผลลิพานและสอนให้กับลูกสอนให้กับญาติสนิทมิตรสหายได้มีดวงตาเห็นธรรมกันเป็นจำนวนมากออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากนี่เป็นอำนาจของธรรมะการที่ ธรรมะนี้จะมีอำนาจทำให้คนอื่นเขาเกิดศรัทธาได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติของตนเองก่อนถ้าไม่ปฏิบัติตนเพียงแต่สอนโดยที่ตนเองยังไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่มีอำนาจหรือกำลังที่จะโน้มน้าวให้ผู้อื่นเกิดศรัทธา ที่จะปฏิบัติตามได้แต่ถ้าตนเองได้ปฏิบัติทำตัวเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ mm. ก็จะทําให้ผู้อื่นเกิดศรัทธา mm. ที่อยากจะปฏิบัติตาม mm. ดังนั้น mm. เมื่อได้มาอยู่วัดแล้วมาเตรียมตัวบวชแล้ว mm. ก็ควรที่จะ mm. มีความ ขวนขวายที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติทำตนให้เป็นพระที่ดีคือเป็นพระสุปฏิปันโนการจะเป็นพระสุปฏิปันโนนี้อยู่ที่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือพระเก่าบวชวันนี้ก็สามารถเป็นพระสุปฏิปันโนได้ อยู่ที่การปฏิบัติคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดตามพระธรรมคำสอนทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรก็จะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ปฏิบัติอย่างไรก็จะปฏิบัติตามคือจเจริญในสิ่งที่ควรจเจริญ และละในสิ่งที่ควรละเมื่อสามารถปฏิบัติได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างเคร่งครัดก็จะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่จะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ดังนั้นจึงอย่าประมาทตน อย่าไปทิดว่าเพิ่งบวชเพียงวันเดียวจะไ ม, ไม่สามารถปฏิบัติเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไม่ยากเลยเพียงแต่ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์อุปชายยะสั่งสอนอบรมเท่านั้นก็จะสามารถถือเป็นพระปฏิสุปฏิปันโนได้เป็นพระที่ดีได้ เช่นอุปชาจะสอนให้ออกบินทบาตเป็นวัดคือให้ถือการบินทบาตเป็นการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นอาชีพที่เหมาะกับพระภิกษุทุกรูปเพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พยายามออกบินทบาตรใบจนวันตายแล้วจะมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว ส่วนที่อยู่อาศัยท่านก็ให้หาที่อยู่ที่สงบสงัดตามป่าตามเขาหรือถ้าอยู่ในวัดก็อยู่ตามที่เขาจะจัดให้อยู่อย่าไปเลือกที่กุฏิหลังนั้นหลังนี้เพราะไม่ใช่เป็นวิสัยของพระสุปฏิปโนจะพึงปฏิบัติพระสุปฏิปโนนี้ จะปฏิบัติคือยินดีตามมีตามเกิดเขาจัดให้อยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ไปเพราะที่อยู่นั้นก็มีไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนและอยู่เพื่อที่จะบําเพ็ญ น, นั่งสมาธิเดินจงกรมเท่านั้นจึงไม่สำคัญว่าจะเป็นที่ใหม่หรือที่เก่าถ้าตราบใด สามารถใช้หลบแดดหลบฝนได้เป็นที่เราสามารถนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ก็ถือว่าเป็นที่เหมาะกับพระสุปฏิปันโนแล้วพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วถ้าเป็นพระที่จูจจ้จี้จุกจิกอยากจะได้กุติหลังนั้นอยากจะได้กุติหลังนี้ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นพระสุปฏิปโนเนพระพุทเจ้าทรงสอนเมื่อมาบวชแล้วให้มักน้อยสันโดษสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดบินทบาดได้อาหารชนิดใดามาก็ให้มีความยินดีมีความพอใจกับอาหารที่ได้รับมา ได้ลาบสักการะมามากน้อยก็ให้ยินดีกับลาบสักการะที่ตนได้มาขอให้ถือหลักบุญหลักกรรมไว้ก็แล้วกันว่าเราทำบุญมาเท่านี้เราก็ได้เท่านี้ถ้าเราอยากจะได้มากกว่านี้ก็ให้ทำบุญมากขึ้นไปกว่านี้ให้บวชไปอยู่ไปนานๆอย่าบวชเพียงสามเดือน บวชสักสามสิปีแล้วดูซิว่าบุญนี้จะส่งผลให้เราได้ลาบสักการะต่างๆหรือไม่เราต้องเชื่อบุญเชื่อก ร, รมต้องเชื่อเรื่องวาสนาบารมีคนเราที่มีอะไรแตกต่างกันนั้นก็เพราะบุญบารมีที่เราได้บำเพ็ญกันมาในอดีตนั้นไม่เท่ากันนั่นเอง จึงมีความแตกต่างกันในเรื่องของลาภสักการะต่างๆในเรื่องของฐานะการเงินการทองรูปร่างหน้าตาความฉลาดเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการสร้างบุญบารมีมาในอดีตนั่นเองถ้าเราเห็นผู้อื่นเขามีบุญบารมีมากกว่าเราและเราอยากจะเป็นเหมือนเขาก็เราก็สามารถที่จะเป็นได้ แต่เราต้องสร้างบุญบารมีขึ้นมาเสียก่อนจึงต้องมีความนับน้อยสันโดษวันนี้เราได้เพียงเท่านี้ก็ขอให้เรามีความพออกพอใจเพียงเท่านี้เพราะความจริงแล้วมีมากหรือมีน้อยนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามีสันโดษหรือไม่คือมีความพอหรือไม่ ถ้ามีความพอแล้วมีน้อยก็มีความสุขได้มีมากก็มีความสุขได้เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมากมีน้อยแต่อยู่ที่คำว่าพอหรือไม่พอถ้าไม่พอต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็ยังจะไม่มีความสุขเพราะใจยังตะเกียกตะกายใจยังมีความหิวความอยากอยู่ แต่ถ้ามีน้อยแต่มีคำว่าพอแล้วก็จะมีความสุขเพราะจะไม่มีความตะเกียกตะกายไม่มีความอยากได้อะไรมาเพิ่มนี่คือความสุขของใจอยู่ตรงที่คำว่าพอไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยมีดีหรือมีไม่ดีเพราะพระพุทธเจ้าเคยมีมากเป็นถึงพระราชโอรส มีประสาทถึงสามฤดูแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงออกบวชได้ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงสํานึกว่าการมีอะไรมากๆนั้นไม่ได้ทําให้จิตมีความสุขอยู่ที่การทําจิตให้มีความพอต่างหากพระองค์จึงต้องสละราชสมบัติสละความสุขของราชโอรส แล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่แบบนักน้อยสันโดษอาหารของราชโอรสก็สละแล้วก็มาหาอะรับประทานอาหารของขอทานคือการวินทบาทนนี้ก็เป็นการขอทานดีๆนี้เองเพียงแต่ว่าขอแบบผู้มีศีลขอแบบผู้ไปโปรดสัตว์คือไม่ได้ไปรบกวน ไม่ได้ไปเรียกร้องไปขอเขาเพียงแต่เดินไปให้เขารู้ว่ามารับอาหารเท่านั้นถ้าเขามีศรัทธาอยากจะทำบุญเขาก็จะทำของเขาเองอย่างนี้เรียกว่าเป็นการโปรดสัตว์ทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญจะได้มีโอกาสได้ทำบุญ แต่ถ้าเป็นขอทานนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งขอทานก็จะไปเคาะตามบ้านแล้วก็ไปเอ่ยปากขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าขอทานแต่การโปรดสัต์นี้เป็นการเดินบินทบาตเดินไปในละแวกบ้านด้วยความสำรวมและด้วยความสงบจิตใจไม่มีความอยาก ได้สิ่งนั้สิ่งนี้ไปโปรดสัตว์ให้เขาได้มีโอกาสได้ทำบุญให้ทางเขามีอะไรจะให้อะไรมาก็รับโดยไม่มีข้อแม้แต่อย่างใดนี่คือการโปรดสัตว์นี่คือการอยู่แบบของนักบวชการหากินของนักบวชเป็นการอยู่แบบมักน้อยสันโดษจริง คือได้อะไรมาก็ยินดีตามที่ได้มามีมากมีน้อยก็ยินดีไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นนี่คือการบำเพ็ญของพระสุปฏิปโนท่านบำเพ็ญอย่างนี้ท่านออกบิณฑบาตตลอดเวลาตราบใ ด, ดที่สังขารร่างกายยังเอื้ออำนวย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือชราภาพไปตัวอย่างของพระที่ทรงบำเพญ็ญบำเพ็ญการบินทบาทนี้ก็เช่นพระอาจารย์มั่นท่านที่พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านไม่เคยหยุดการบินทบาทจนถึงอายุที่ท่านไม่สามารถบินทบาทได้แล้วท่านเกิดอาการอาภาคขึ้นมาท่านจึงหยุดการบินทบาทไป แต่ถ้าาสตรใดที่ท่านยังเป็นปกติยังเดินไปไหนมาไหนได้ท่านจะออกบิณฑบาตเสมอท่านทำเป็นตัวอย่างให้แก่พระลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติตามมาจนถึงปัจจุบันนี้พระที่เรียกว่าพระที่อยู่ในสายของหลวงปู่มา น, นีจะถือการบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ทุกรูป จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตามที่ได้ศึกษามาจากพระอุปัชฌายะในวันบวชเวลาบวชเสร็จแล้วพระอุปัชฌายะจะสอนเรื่องของการอยู่ของพระเช่นการบิณฑบาตเรื่องกุติที่อยู่อาศัยเรื่องจีวรจีวร น, นี่ก็สอนให้ใช้ผ้าบางสกุล คำว่าผ้าบางสกุลนี้ก็คือผ้าที่เขาทิ้งตามป่าช้าหรือตามตามถังขยะคือเป็นเศษผ้าในสมัยพุทธกาลนั้นผ้าจะไม่เป็นผ้าผืนตอนสมัยเริ่มแรกพระต้องไปหาเศษผ้าที่ทิ้งไว้ตามป่าช้าหรือตามกองขยะเก็บมาผืนเล็กผืนน้อยเอามาสะสมเมาไว้ จนกว่าจะได้พอที่จะมาปะมาเย็บทำเป็นผ้าจีวรเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปย้อมด้วยน้ำฝาดที่ต้องมาจากแก่นไม้เช่นแก่นขนมนี่คือผ้าบางสกุลของพระในสมัยพุทธกาลท่านใช้ผ้าแบบนี้กันต่อมาหลังจากที่าศาสนามีความเจริญก้าวหน้า มีคนมีศรัทธามากขึ้นก็เลยมีการถวายผ้าเป็นพับผ้าเป็นพับผ้าแล้วหลังจากนั้นก็มีการถวายผ้าสาเร็จคือตัดเย็บจีวรเป็นจีวรมาถวายอย่างที่เราเห็นกันในวันนี้เป็นผ้าใรที่เขาตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ความจรงิงในสมัยพระพุทธการนี้จะไม่มีผ้าแบบนี้กัน จะมีแต่ผ้าบางสกุลคือต้องไปหาผ้าไปเก็บผ้ากันมาแล้วต้องมาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมกันเองถึงจะเรียกว่าเป็นผ้าบางสกุลแต่ในสมัยนี้มีความเจริญในทางศาสนามีผู้มีจิตศรัทธามากจึงมีการถวายผ้าไตรสำเร็จรูปกันจึงไม่ค่อยได้มีการใช้ผ้าบางสกุล อย่างในสมัยโบราณในสมัยก่อนแต่ก็ขอให้เรานึกถึงผ้าบางสกุลแล้วก็ขอให้เรามีความพอใจกับผ้าที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นผ้าดีหรือไม่ดีก็ตามจะเป็นผ้าราคาแพงหรือผ้าราคาถูกก็ขอให้เราคิดว่าเป็นเหมือนผ้าบางสกุลดีกว่าผ้าบางสกุลหลายร้อยเท่า ผ่าบางสกุลนี้เป็นเศษผ้าที่จะต้องเอามาตัดเอามาเย็บมาเอามาต่อแต่นี่เป็นผ้าที่เขาตัดมาให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นผ้าปานหรือเป็นผ้าไหมก็ไม่สำคัญถือว่าเป็นผ้าไว้สำหรับนุ่งห่มได้ก็ดีแล้วใช้ได้แล้วขอให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปกังวลมากเกินไปกับ เรื่องของผ้าจีวรผ้านุ่งหง่มนี่คือเรื่องของผ้าและประการสุดท้ายก็เรื่องของยารักษาโรคในสมัยโบราณท่านใช้ยาดองน้ามูดก็คือน้ำปัสสาวะเอาเอาสมุนไพรดองไว้ในน้ำปัสสาวะแล้วก็ดื่มเป็นยาดอง หรือรักษาโรคได้ในสมัยพุทธกาลท่านรักษาอย่างนั้นท่านไม่กังวลกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมากนะักเพราะท่านรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะหนีความตายไปได้โรคที่จะต้องพบก็มีอยู่สามโรคด้วยกัน โรคชนิดแรกเป็นโรคที่เกิดแล้วก็หายเองได้ไม่ต้องรักษามันก็หายเองได้ส่วนโรคที่สองเมื่อเกิดแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็จะไม่หายและโรคที่สามก็คือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่ตายเพียงอย่างเดียว นี่คือโรคสามโรคด้วยกันที่ทุกคนที่เกิดมาจะต้องได้พบกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธนาธิบดีเป็นพระหรือเป็นค่าวรวาดไม่มีใครหนีพ้นโรคทั้งสานี้ต่อให้มียาวิเศษขนาดไหนมีโรงพยาบาลวิเศษขนาดไหน มีหมอวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าเจอโรคชนิดที่สมแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะรักษาให้หายได้ดังนั้นนักบวชจึงไม่ค่อยกังวลกับเรื่องการรักษาโรคเท่าไหร่ในสมัยพระพุทธการท่านใช้ ย, ยาดองน้ำมูดนี้ก็สามารถรักษาโรคได้อยู่กันจนถึงอายุ 80-90 ถึงร0 0ปีกันได้ ไม่เป็นตัญหาอย่างไรดังนั้นจึงไม่ควรที่จะต้องกังวลกับการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บอยู่ที่วัดนี้ก็มีโรงพยาบาลที่พร้อมที่จะดูแลพระทุกรูปเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถไปที่โรงพยาบาลวัดยางที่อยู่หน้าวัดนี้ได้ดังนั้นเรื่องของปัจจัยสี่ของพระ นั้นจึงมีพร้อมบริบูรณ์แล้วพอเพียงแล้วสิ่งที่ขาดก็คือศรัทธาความเชื่อที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นภาะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเองจึงขอให้พุ่งไปตรงนี้พุ่งไปที่การปฏิบัติพุ่งไปที่การศึกษา ศึกษาให้รู้ว่าพระสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วเราพยายามปฏิบัติตามพระสุปฏิปันโนอย่าไปตามพระที่ไม่ใช่เป็นพระสุปฏิปันโนเพราะจะพาให้เราไม่ได้เป็นพระสุปฏิปันโนไปด้วยนั่นเองถ้าเราอยากจะเป็นพระดีเป็นพระที่จะได้ทดแทนบุญคุณให้แก่บิดามารดาได้อย่างเต็มที่ ก็ขอให้เรามองไปที่พระสุปฏิปันโนพระที่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และพระที่ที่ตายไปแล้วพระที่ตายไปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายพระที่มีชีวิตอยู่ก็คือพระที่เป็นธรรมนิกาพระที่อยู่ในวัดร่วมกันดูรูปใดที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเขร่งครัดตอน กฎระเบียบของวัดต่อหลักพระธรรมคาสอนต่อพระวินัยก็ขอให้ปฏิบัติตามท่านแบบนั้นแล้วรับรองได้ว่าเราจะเป็นพระสุปฏิปันโนได้อย่างแน่นอนอยู่ที่การปฏิบัติของเราเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่นผู้อื่นเขาเป็นสุ ป, ปฏิปันโนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้เป็นนะยึงขอให้ยึดหลักคือการปฏิบัติของเรา ดูการปฏิบัติของเราเป็นหลักอย่าไปดูการปฏิบัติของคนอื่นเห็นคนอื่นเขาไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วเราจะเป็นสุปฏิปันโนได้อย่างไรเราต้องมองแต่ผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตามท่านเท่านั้นเราถึงจะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรม มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบรรพ็ญกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัดใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันะสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเธอ